ลอดตัวพยังหวุดหวิดมีหมอมาช่วยให้ยาทีเดียวก็แต่ว่ายาก็ไม่ได้หยุดทีเดียวกลับไปก็ต้องระบายต่อแต่ไม่เป็นไรอะระบายดีของไม่ดีมันจะได้ออกไปใช่หมดเหลือท้าไม่มีการระบายัะบ้าง ก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันอ่าร่างกายของคนเราเนี่มันก็มีความสำคัญมากเพราะถ่ายท้องก็ไปเอ๊ะมันชัดยังไงฮะใจมันคิดนั้มันชัดยังไงต่แล้วแต่ว่ากำลังใจยังมีอีกเยอะก็เลยไม่ไม่สะทกสะานก็ ไอ้โลคภัยไข้เจ็บเนี่ยถ้ากำลังใจมีแล้วเนี่ยเขาบอกว่าโลคมันหายไปครึ่งหนึ่งแต่ถ้าหากว่าโลคภัยไข้เจ็บเกิดเนี่ยกำลังใจเสียเนี่ยเรียกว่าเพิ่มโลคเข้าไปอีกครึ่งหนึ่งอันเนี้เป็นความจริงอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไอ้การอ่อนแอทางจิตใจแล้วเนี่ย ถ่ายท้องขนาดนี้คงต้องนอนสามวันนอนสามวันเพราะว่าเคยไปถ่ายท้องที่อินเดียคราวนั้นเมื่อสร้างพรเจดีเสร็จถึงยอดอธิษฐานไว้ว่าต้องไปนั่งสมาธิถวายพระโพธิส์ี่สิบห้าครั้งถไม่ใช่ เก้าสิบครั้งคือสามเดือนพ อ, อไปแล้วมันไปถูกหน้าร้อนแล้วก็ฉันอะไรฉันอาหารฉันข้าวฉันอะไรมันก็เหมือนไม่ได้ฉันป็นก็แปรของฉันข้าวแคกเนี่ยไม่ค่อยอิ่มไม่น้ำซ้ำยังถ่ายส200ักสองร้อยหนอน สองร้อยผลนี่ก็หมายความว่าเจ็ดวันสองร้อยผลวันหนึ่งสามสิบครั้งทีนี้พอถ่ายแล้วน้ำมันก็ออกหาน้ำเกลือก็ไม่ได้พอเวลาที่เขาจะมาให้น้ำเกลือนี่มันเล่นเอาเข็มไปลนเทียนน่ะเราจะมาฉีดเราก็ไม่ยอมสิเล่นแบบนั้นไม่ไหว <c oughs> จะต้มก็ไม่ต้มจะทำลายก็ไม่ทำเอาเข็มไปลนลนเทียนนักจะมาฉีดเราก็เลยต้องยอมแต่ยอมไปไม่มีน้ำเกลือคคอขาดน้ำไปเยอะไอ้ความจำมันหายไปไหนหมดไม่รู้หายหมดเลยความจำเนี่ยสวดมนต์ก็ไม่ได้พอเสร็จแล้วนี่ไอ กระดูกสันหลังก็เลยเคลื่อนไปอีกด้วยหันตัวไม่ได้ก็เลยต้องรีบทำสมาธิสัวันละสองครั้งถวายพระโพแทนที่จะอยู่เก้าสิบวันก็อยู่แสี่สิบห้าวันครบก็เลยรีบกลับประเทศไทยพอกลับประเทศไทยนี่อาการเหล่านั้นไม่ยอมหาย เมื่อไม่ยอมหายก็ไปกายภาพบําบัดกายภาพบําบัดอยู่สามเดือนเต็มสี่เดือนนะั้นไม่ใช่สามเดือนทุกวันไม่หายอีกก็เลยตัดสินใจไปดอยอินทนนท์แล้ถึงได้ไปอยู่ที่ดอยอินทนนท์ที่ไปอยู่ที่ดอยอินทนนท์ก็ขึ้นดอย ตั้งใจว่าต้องขึ้นดอยทุกวันอย่างน้อยวันละครั้งไปอยู่ห้าปีไม่ใช่อยู่วันทั้งวันนะอยู่ห้าปีนะในห้าปีนั่นนะ่ะที่วัดนี่ก็ทิ้งหมดละใครเป็นอะไรถือว่าเราตายไปแล้วกัแล้วกันเดี๋ยวเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ไปบอกว่าไม่ต้องส่งเราทำกันเอง ไปอยู่ห้าปีถึงได้ตำราอันนี้ขึ้นมานั่งเขียนไม่ใช่ว่าป่วยเฉยๆสร้างโรงพยาบาลให้เขาหนึ่งโรงสร้างศูนย์พัฒนาเด็กแรกสิบห้าแห่งสำเร็จแล้วทีนี้มันยังไม่ถึงห้าปีหรอกแค่สองปีหรือสามปีอะไรเนี่ยหายไปเลยหายเองบอกว่าพอไปถึง โดยอินทนนท์แล้วไม่ไม่สัญญาแล้วเลิกกันเดินขึ้นลูกเดียวเพราะฉะนั้นโดยอินทนนท์หลวงพ่อจึงได้ถือว่าเป็นที่ฝึกสนามของนักนักศึกษาสมาธิแล้วก็ตำลาวก็ไปเขียนจบที่นั่นกจึงได้เลยเป็นเรื่องดีไป ทีนี้วันนี้เราก็มาพูดกันถึงเรื่องขั้นตอนของฌานทีนี้ขั้นตอนของฌานเนี่ยเมื่อวานนี้เราได้พูดแล้วว่าความรู้สึกและความสัมผัสความรู้สึกและความสัมผัสนั่นคือฌานแล้วความรู้สึกกับความสัมผัสทั้งสองอย่างนี้จะต้องออมีขั้นตอนของมันเอง เพราะว่าขั้นตอนนั้นอ่ะเหมือนกับเราเรียนหนังสืออย่างเนี้ยเริ่มไปตั้งแต่กอไก่มันก็เป็นขั้นตอนที่เราจับดินสอจดลงไปตัวแรกทยนี้ต่อมามันก็เริ่มเขียนได้หมดทุกตัวมันก็มาขั้นตอนเริ่มอ่านออกเขียนได้ก็เติมมาอีกขั้นตอนแล้วก็จนกระทั่ง ได้หลักวิชาการก็มาอีกขั้นตอนแต่ว่าขั้นตอนทั้งหมดเหล่านี้มันก็มาจากที่เดิมคือตัวกอไก่ตัวเดิมแต่ตัวกอไก่ตัวนั้นอ่ะมันได้พัฒนาขึ้นจนกระทั่งอ่านออกเขียนได้จนกระทั่งได้หลักวิชาการเพราะฉะนั้นความรู้สึกและความสัมผัสอะเนียมันก็เป็นตัวตัวตั้ง พอ เ, เป็นตัวตั้งแล้วมันก็เริ่มมีขั้นตอนขึ้นทีนี้ขั้นตอนของฌานนี้มั่นบอกไว้ตรงๆแล้วว่าปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุถยฌานเราเอาแค่นี้เราเอาแค่นี้ก่อนว่าขั้นตอนเนี้มันอยู่เออสุดท้าย เันอย่างขั้นตอนที่หนึ่งหมายถึงว่ า, าการที่จะเป็นปฐมฌานขึ้นมาได้เนี่ยมันมีอยู่ห้าคือวิตกหนึ่งสองวิจารสามปิติสี่สุขห้าเอากัภคตาขั้นตอนแรกอันนี้เขาเรีย ก, กว่ากอไกขั้นตอนแรกคือปฐมฌาน เพราะฉะนั้นเราก็ดูให้ดีว่าวิตกวิจารปิติสุกเอกคตาวิตกวิจารสองอย่างนี้คือคำบริกรรมเขเรียกว่าคำบริกรรมจะบริกรรมพุทโธหรือจะบริกรรมอะไรก็สุดแล้วแต่ถ้าเป็นคำบริกรรม ถือว่าอยู่ในขั้นวิตกวิจารวิตกวิจารทั้งสองทั้งสองข้อนี้อยู่ในขั้นบริกรรมคือขั้นบริกรรมในขณะที่เรากาลังบริกรรมนั่นแหละเรากำลังทาสมาธิสมาธิที่เรากำลังบริกรรมนั่นแหละมันจะกลับกลายเป็นฌานอย่างนี้เป็นต้นนี่เมื่อ บริกรรมไปแล้วเนี่ยมันเกิดตัวเบาขึ้นและมันเกิดสบายขึ้นมันเกิดตัวเบาขึ้นแล้วรู้สึกว่ามันจะปีตินขนทองสยองเคร้าตัวใหญ่ด้วยว่ามันจะมีลักษณะหนึ่งเกิดขึ้นอันนั้นเป็นข้อที่สามจะเกิดขึ้นจากนั้นไปมันก็มีความสบายเกิดความสบายขึ้น เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีความรู้สึกกบบสัมผัสรู้สึกสัมผัสอันดับแรกเราสัมผัสกับพุโทโธเราสัมผัสกับคำบริกรรมพอต่อไปมันก็เมื่อบริกรรมมากขึ้นปิติคือความเ อ, อิ่มอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นอิก ขั้นตอนที่ขั้นตอนที่สามและต่อไปก็มีความสบายขึ้นนั่งก็เหมือนไม่ได้นั่งเหมือนกับเอ่อมันเกิดความสบายอะ่ะอย่างเนี้ยเรียกว่าขั้นตอนที่สี่พอมาถึงสุดท้ายก็คือจิตใจไม่ได้นึกไปทางไหน กขาเรียกว่าอยู่ที่พุโทโธแห่งเดียวอย่างนี้เรียกว่าขั้นตอนสุดท้ายเมื่ออันนี้เกิดขึ้นมาแล้วเราก็ผ่านปฐมฌานคือปฐมฌานนี่ผ่านหมายความว่าเราเขียนกอไก่ถึงหอนกุูงได้แล้วก็มีอย่างนั้นอะไเราเราเปรียบเทียบก็เหมือนเขียนกอไก่ถึงหอนกุูกเนี่ยเราเขียนได้แล้วหรือว่าอบซินเกล เราก็ถือว่าผ่านแต่การผ่านนั้นเราจะต้องเข้าใจอย่างนี้สำหรับเรื่องฌานปสมฌานนั้นจะอยู่ในคณิกะสมาธิเรียกว่าเป็นสมาธิขั้นเฉียดเฉดเราจะรู้สึกว่ามันเป็นได้นิดหนึ่งมันอาจจะไม่ถึงนาทีก็ได้ มันอาจจะไม่ถึงห้านาทีก็ได้แล้วมันก็จะกลับคืนสู่สภาพปกติเหมือนอย่างทันทีเราธรรมดากลับคืนเข้าสู่สภาพปกติอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าปฐมฌานเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะสารวจตัวของเราเองได้ว่าเราได้ผ่านปฐมฌานหรือยังเมื่อ การผ่านปรมฌานไปแล้วก็มาถึงทุติยฌานนี่ทุติยฌานนี่เราจ ะ, ะตัดวิตกวิจาร์ออกเหลือองค์สามนี่หมายความว่ามีปีติสุขเอกคตาปีติสุขเอกคตาเหลือสามทำไมถึงเหลือสามเพราะว่า ถึงแม้เราไม่ได้บริกรรมแต่ว่ามันก็เป็นบริกรรมเหมือนกันแต่มันเป็นบริกรรมที่ไม่ต้องมีอักขระหรือไม่ต้องใช้ความอไมใ่ใช้ความคิดเช่น เ, เราบริกรรมที่เราวนึกพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้พุทโธนั้นอะ่ะเราไม่ต้องนึกแต่ว่า พุทโธนั้นได้เข้าไปอยู่ที่ใจแล้วมันก็เลยเกิดความนิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อไปถึงตรงนี้เราก็อยู่เฉยแต่ว่าจิตนั้นก็นิ่งเหมือนกันกับเราบริกรรมพุทโธเหมือนกันอันนี้เรียกว่าขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่สองนี่ขั้นตอนที่สองนี่เราก็เปรียบเหมือนกันกับว่า เราเขียนได้และเราก็ผสมตัวได้แล้วอย่างนี้ยจะเขียนไก่ก็สละไอใส่ไม้เอกไก่ก็ใช้ได้หรือเราจะเขียนหมูหอม อ, อสละอูเป็นหมูอย่างนี้เราก็เขียนได้เพราะว่าผสมตัวได้แล้วกหมายความว่าจิตนั้นได้ลึกซึ้งลงทีงนี้ มาถึงขั้นมาถึงตัติยชาญขั้นที่สามขั้นที่สามนั้นจะมีความสุขเอกขตาปีติหายไปแล้วทำไมทาไมปีติมันน่าจะเออบิ่มมากกว่าเก่าแล้วทำไมถึงหายไปเพราะว่าคนที่มาถึงตะติยชานนั้นได้ผ่าน ปฐมฌานและทุติยฌานมาเยอะอถ้าไม่เยอะนี่ก็ไปสู่ตัติยฌานไม่ได้อก็เหมือนกันทีนี้เราก็เปรียบเทียบเหมือนกันกันกบว่าเขาจะต้องสามารถเขียนวิชาการได้นี่มาถึงจะเป็นวิทยาศาสตร์เบื้องต้นหรือจะเป็นเกษตรศาสตร์หรือจะเป็นใน วิประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนี้อ่านออกด้วยแล้วก็เขียนได้ด้วยทีนี้รู้เรื่องอ่ะรู้เรื่องขึ้นมาประมาณรู้เรื่องขึ้นมาระดับอีกระดับหนึ่งคือไม่จําเป็นต้องไปทําเหมือนอย่างเดิมเพราะว่ามันเกิดความชนานาญมากขึ้นแล้วอย่างนี้ที่ว่าปีติไม่มีเนี่ยก็คงจะเปรียบได้เหมือนกับว่า คนที่ได้เงินมาคนจนไม่เคยมีเงินเลยแต่ได้เงินมาหนึ่งแสนบาทเขาจะดีใจมากเกิดปีติโอ้โหเออผิ ม, มาหาศาลเลยแล้วเขาได้เงินมาอีกล้านนึงเขาก็ยิ่งดีใจปีติก็ยิ่งเกิดขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นมาอีกแต่ทีนี้ พอเขาได้ไปถึงร้อยล้านแล้วสีเนี้ยไอ้ปีจีตัวนั่นมันหายไปเองมันไอ้ปีจีตัวต้นอนะไอ้ความปีจีมันไม่เหมือนกับเงินแสนแรกเงินแสนแรกเนี่ยโอ้ยแทบจะกระโดดโล ด, ดเต้นบางทีอาจจะไม่รู้ยังไงอะอย่างนั้นเถอะอันนั้นคือได้ครั้งแรกแต่พอมาต่อมาเนี้ย มันได้มากไปแล้วเนี่ยไอตัวนั้นเนี่ยมันจะหายไปเองมันมันจะไม่ไม่มีปิติแต่ว่ายังมีความสบายอยู่ยังมีความสบายอยู่ถ้าเปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยนั่งสมาธิไปแล้วมันไม่เห็นมันขนลุกเหมือนเก่าไม่เห็นมันลอยเหมือนเก่าเข้าใจผิด แทนที่จริงจิตมันจะลึกซึ้งไปกว่าเก่าไอ้จิตจะมาพิจิไอ้จิตจะมาเออปีเหมือนเดิมน่ะมันเป็นไปไม่ได้อเพราะว่าเหมือนกับคนจะมันได้เงินมาแล้วเราจะกลับคืนไปพิจิเหมือเงินแสนแรกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วจิตใจที่ทําสมาธิพอเป็นฌานมานี่มันก็เช่นเดียวกันทีนี้ ไปถึงขั้นเออะขั้นลูก ป, ประชานสุดท้ายก็คือจะสุทธิชานจะสุทธิชานนั้นความสุขก็ไม่มีแล้วหายไปแล้วเหลือแต่อุเบกขากับเอกกะคตาเหลือแต่อุเบกขาเอกกะคาตานั้นอุเบกขาแปลว่าความวางเฉยอะ่ะมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยเราไม่รู้สึกนั่งสมาธิ จะไปปีตีเหมือนเก่านั้นเป็นไปไม่ได้คือมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้อ่า น, นี้ถ้าจะเปรียบก็เปรียบเหมือนกันกับคนที่ได้เงินเป็นหมื่นล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านอะไรก็ว่ากันไปมันก็เหมือนกันกับโอ้เออธรรมดาธรรมดาจริงเงินเอาเงินมาล้านหนึ่งโยนไปเฉยเฉยไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ย เพราะอะไรเพราะว่ามันมากเกินไปแล้วมันไม่ใช่มากเกินไปแล้วมันมากแล้วมันมากแล้วมันก็เวกขาก็วางเฉยแต่ว่ายังไงก็ตามเอกัคตาจะทิ้งไม่ได้เป็นเด็ดขาดจะเป็นปฐมฌานก็คือเอกคตาจะเป็นทุติยฌานก็คือเอกัคตาจะเป็นตัตยฌานก็คือเอขัคตา จะเป็นจะตุทัชฌานก็คือเอกคตาเอกขตาตัวนั้นทิ้งไม่ได้คําว่าทิงไม่ได้ก็เพราะว่าความรู้สึกในอารมณ์อันหนึ่งและมีสติอยู่อันนั้นถือว่าเป็นอจะตุทัชฌานทีนี้จะตุทัชฌานนั้นแสดงว่าพลังจิตที่สมาธิทำมานั้นมากเหลือล้น เรียกว่ามากมายเมื่อสมาธิมีพลังจิตมากมายแล้วเนี่ยนั่งสมาธิมันก็ธรรมดาเรียกว่ามันจะมีความลึกซึ้งของจิตนี่แค่ไหนมันก็เป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ในเมื่อเป็นเจตุชานมีพลังจิตมากแล้วเนี่ยเ อ, อเวลามานั่งสมาธิ มันก็เป็นการปรกติเป็นการปรกติและทีนี้บางคนเข้าใจผิดบอกว่าจิตใจเสื่อมหมดแล้วอะไรต่ออะไรก็หายไปหมดแล้วนั่งสมาธิไม่เห็นได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เข้าใจผิดอย่างมหาศาลเลยเพราะว่าคนทําสมาธินี่เราต้องออยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าพลังจิต ที่เร า, เาทำเอาไว้เนี่ยมันไม่มีการสูญสลายตัวเราต้องคิดตัวนี้ไว้ก่อนถึงอย่างไรก็ตามพลังจิตอันนี้จะไม่มีการสลายตัวเด็ดขาดมันจะเพิ่มคูนของมันไปตลอดไม่ใช่แต่ชาตินี่แม้แต่ชาติหน้าแต่พลังจิตอันนี้ก็ยังต้องตามไปพลังจิตนี่จะอยู่ป ก, กติ เพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฌานมาแต่ในอดีตชาติอย่างนี้คือได้ฌานสูงมาตั้งแต่อดีตชาติอพอเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไอการแต่งงานก็ไม่อยากจะทำไอความคิด เ, เรื่องของโลกิวิสัยมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่ในจิตใจมากอย่างนี้เป็นต้น ยกตัวอย่างเช่นท่านพระมหากัรสปะใช่ไหมแม่มาหาเนีย <c oughs> อะไรคะยกตัวอย่างเช่นท่านพระมหากัรสปะอันนี้ท่านทําฌานมาตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็ภรรยาของพระมหามหากัรสปะท่านก็ บ, บาเพ็ญฌานมาทั้งคู่ คือทั้งภรรยาและสามี เ, เมื่อพ่อแม่ก็เป็นตระกูลที่รวยที่สุดก็เรียกว่าเป็นสามมหาศาลมีเงินนับไม่ถ้วนเขาก็ต้องการอยากจะให้มีการแต่งงานจะได้มีทายาทสืบสกุลแต่ว่าจิตใจนั่นน่ะมันได้มากเหลือเกินมีพลังมากมาตั้งแต่อดีต จะบังคับให้ท่านแต่งงานท่านก็ไม่ยอมแต่ในที่สุดพ่อแม่อ้อนวานมากก็ต้องยอมก็ตั้งได้ไปหาภรรยามาชื่ออะไรอ่ะเ้ยอย่างนั้นก็ให้นักศึกษาไปคนคนคว้าเอาเองก็ตจกรองก็สู่ขอ เขาบอกว่าทางฝ่ายภรรยาเขาก็ไม่อยากไม่อยากแต่งงานทางฝ่ายสามีก็ไม่อยากแต่งงานแต่ว่าถูกพ่อแม่บังคับก็ให้มาแต่งงานอแต่งงานเขาก็จะมานอนคนละห้องนอนคนละห้องแล้วมันจะได้ลูปยังไงอ่ะอพ่อแม่ก็บังคับให้นอนห้องเดียวกันนอนห้องเดียวกันเขาก็เอาไอ้ปล้งไอ้ดอกไม้พวออะไรมาวางไว้ขันอ่า อทางผู้หญิงก็นอนข้างหนึ่งทางผู้ชายก็นอนข้างหนึ่งก็อยู่อย่างงั้นละ่ะนับเป็นเวลาเกือบเอสิบปีอ่ะอย่างนั้นพอแม่ก็ตายหมดเมื่อพ่อแม่ตายหมดแล้วก็หมดทาระแล้วทั้งสองคนก็ไม่เคยแม้แต่จับต้องตัวกัน <c oughs> แล้วก็มาบอกว่า พระมหากาษัตก็บอกว่าฉันจะบวชทางฝ่ายภรรยาก็บอกว่าฉันก็จะบวชถ้าอย่างนั้นสมบัติทั้งสองตระกูลเนี่ยมาผสมกันแล้วก็นับเป็นแสนไม่รู้กี่แสนล้านบริจาคเราเอาผ้าไปคนรับผืนพอเดินพอเวลาเดินไปก็เอ๊สามีเดินข้างหน้าภรรยาเดินตามหลังมันก็ไม่ถูกต้อง ว่ไปบวชทำไมยังจะต้องเดินตามกันด้วยไปถึงทางแห่งหนึ่งเขาเรียกว่าทางสี่แพร่งบอกว่าเรามาหันหลังใส่กันต่างคนต่างเดินไปคนละทิศภนะรริกาเขาก็เดินไปทิศหนึ่งภรยาเขาก็เดินไปอีกทิศหนึ่งอย่างนีน้ในที่สุดทั้งสองท่านก็ได้ไปพบสาวกของพระพุทธเจ้าบวชได้สำเร็จ เป็นพระอราหันต์ทั้งคู่เอ่เพราะฉะนั้นเรื่องของการเทเราทำจิตเอาไว้หรือว่าเราได้ฝึกเอาไว้เนี่ยมันไม่ได้สูญสลายตัวเียงว่ามันั่งสมาธิแหมแต่ก่อนนั่งได้ดีนะเดี๋ยวนี้ไม่ไหวอ่ะไม่ได้อะไรเลยนี่คือการเข้าใจผิดเดยอะแยะทีเดียวที่เข้าใจผิดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเรื่องการเรื่องของฌานนั้นเราอธิบายขั้นตอนมาอย่างนี้ก็คงจะพอเข้าใจและก็จะต้องอพูดถึงเรื่องฌานเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นไปก็คือว่าเรื่องของฌานนี้ในมัดคือในการที่จะทำให้ได้ผลเขาเรียวกว่าเป็นมัดแปดอย่างนี้น ในมรรค8ปดนี่จะมีเสมาทิฐิข้อที่หนึ่งสัมมาสังกปข้อที่สองสัมมาวาจาข้อที่สามัมมากรรมโตข้อที่สีสัมมาวาจาข้อที่ห้าสัมมาวายโมข้อที่หกสัมมาอะสัมมาอาชีวะข้อที่หกสัมมาวายโมข้อที่เจ็ดสัมมาสติข้อที่แปดอ่ สัมมาวายโมข้อที่หกสัมมาสติข้อที่เจ็ดสัมมาสมาธิข้อที่แปดสัมมาสมาธินี่จะกำกับสุดท้ายคือกำกับสุดท้ายแลวสัมมาสมาธินี่เขาเอาแค่นี้จะสุดทชาญเนี่ยไม่ได้ไปถึงอรูปฌปานซึ่งเราจะอธิบายต่อไปข้างหน้าม <c oughs> <c oughs> เมื่อมาถึงนี่จะสุดทชาญนี่พอแล้วแต่ทีนี้สำหรับ ที่จะอธิบายให้คณะนักศึกษานี่ถ้าเราจะแนะนําเด็กหรือว่าเราจะแนะนํานักศึกษาอันจะเป็นนักศึกษาที่เรียกว่าเยาวชนที่เป็นนักศึกษาหรือว่านักการเมืองที่กําลังปกครองประเทศหรือว่านักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ให้ดําเนินการแค่ ทุติยฌานหรือตติยฌานเป็นอย่างมากก็พอแล้วถ้าเราไปให้พวกเยาวชนหรือนักศึกษามันดีแล้วนั่งต่อเห็นมันดีแล้วนั่งต่ออย่างเงี้ยต่อไปก็ได้สองชั่วโมงเข้าฌานได้ไม่รู้สึกอะไรเลยประเดี๋ยวมันจะเกิดอ ะ, อะไรขึ้น คือมันมันมีพอไปถึงนั่นแล้วไอ้จิต ท, ที่มันเข้าชานเข้าชานแล้วไปเข้ารวังแล้วทีนี้เอพอไปถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องเอควบคุมกันใกล้ชิดจะต้องมีการดูแลใกล้ชิดอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นพอเวลาที่ทําอย่างเยาวชนนักศึกษาเนี่ยทําให้ไปถึงจิตุิญญานเนี่ยมันจะเลิกเรียนเลย การเรียนเนี่ยจะเลิกไปเลยหรือว่าอย่างนักการเมืองอย่างเนี้ยถ้าหากว่าทาไปถึงจะตุศรา น, นี่ยเลิกเลยมันไม่เอาแล้วอย่างเงี้ย อ, อหรือว่า อ, อคนที่จะทําการงานต่างๆเนี่ยมาถึงจะตุศรา น, นี่ยเอ่มันจะเป็นการละวางเพราะว่าเมื่อมาถึงจะตุศรา น, นี่ยมันจะเข้าไปสู่เ อ, อ วิปัสสนาต่อไปอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่จะเข้าไปจตุทะฌานหรือเข้าไปในชั้นลึกซึ่งของนั่นอ่ะก็ต้องคัดเลือกออกมาว่าจำนวนนี้จะต้องเป็นจานวนที่ต้องการพ้นทุกข์ต้องการเดินวิปัสสนาต้องการที่จะ ไม่เอาอะไรแล้วทั้งหมดอันนี้เป็นอย่างนั้นอันนี้เรารู้ขั้นตอนกันไว้ว่าถ้าเราจะไปสอนเด็กเนี่ยถ้าได้ทุติยชานิถือว่าดีมากแล้วเรียกว่าเรียนเก่งขึ้นมาเยอะเลยอย่างเงี้ยพอแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าได้ถึงตาติยชานก็ย่อมไม่เป็นไรก็ยังมีก็ยังดีอยู่ เันนี้ถ้าหากว่ามันเป็นเลือขึ้นไปแล้วเราก็ให้ถอนจิตมาอยู่ในระยะนี้และดาเนินการอันนี้การที่จะก้าวไกลไปจนถึงวิปัสสนานั้นต้องคัดเลือกออกมาเป็นคนคนออกมาเหมือนธรรมวิญญพนอย่างเงี้ยต้องเลือกออกมาพอเลือกออกมาแล้วก็จะไปบวชชีกว่ากันจะไปบวชพระกว่ากัน อ, อ, อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ในการที่หลวงพ่อแนะนำนั้นโดยจุดประสงค์ในขณะนี้และเวลานี้ผู้ที่มาถึงขั้นปฐมฌานทุติยฌานเนี่ยมันก็ได้เยอะแล้วเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วก็น่าพอใจแล้ว <c oughs> แต่ว่าเรื่องของฌานนี่ยังไม่จบเค่นี้หรอกเพราะมันเจะเราจะอธิบายต่อไปข้างหน้าต่อไปอีก ใวันนี้ก็จะต้องต่อเรื่องหลัของหลวงปู่มั่นต่อไปต่อหรือไม่ต่อ <c oughs> เพราะว่าไม่มีอันตรายมาขัดขวางแล้ววันนี้เ <c oughs> ดินทางต่อไปจากนั่นก็ไปถึงจังหวัดอุบลเมื่อไปถึงจังหวัดอุบลก็เข้าไปพัก ที่วัดบูรพาก็เป็นอันว่าเราเข้าไปพักในวัดที่มีความอะไรจุนจ่านหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อยู่กลางเมืองทีนี้เขาก็จัดกุฏิถวายหลวงปู่มั่นไว้หลังหนึ่งห้ามไม่ให้ใครไปอยู่ที่นั่น บรรดาพระอาจารย์เนี่ยต่างคนต่างมาเนี่ยเพะเขารู้ว่าหลวงปู่มั่นกำลังเดินทางไปที่วัดบุรพาจังหวัดอุบลราชธานีทั่วประเทศไทยที่เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่นได้พากันเดินทางเข้าไปสู่จุดเดียวกันหมดกุฏินั้นมีอยู่ประมาณยี่สิบหลัง ก็จุพระได้ไม่เกินห้าสิบองแต่ว่าพระได้ไปครานั้นถึงสามร้อยกว่าสามร้อยกว่านั้นอะเป็นชั้นพระอาจารย์ใหญ่ๆทั้งนั้นหลวงพ่อเองก็ไม่เคยเห็นนะบางองค์ตาเขียวด้วยทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่โกรธนะแต่ว่าตาก็เขียว อ, องค์นั้นชื่อว่าท่านอาจารย์สาร ท่านอาจารย์สารนี่จะเป็นรุ่นเดียวกันเรียกว่าเป็นรุ่นแรกๆรกรุ่นแรกๆกนี่จะมีพระอาจารย์สิงหขันตยาขโมพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลแล้วก็มีท่านอาจารย์สารแล้วก็จะมีชุดนั่นแหละชุดแรกๆทีนี้พระอาจารย์สารเนี่ยตั้งแต่ท่านยังเป็นหนุ่ม ท่านทำความผิดไว้เยอะเมื่อทำความผิดไว้เยอะเอาก็เลิกจากการทำความผิดเหล่านั้นแล้วก็เข้ามาบวชพอเข้ามาบวชนี่พอเวลานั่งสมาธินี่ไอความผิดต่างๆนี่ยมันจะเข้าหูท่านทั้งสองข้างเหมือนกันกันกบพวกผู้ร้ายหรือว่าตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ หรือว่าอะไรต่างๆเลยมันจะมาปลุกที่หูนี่ตลอดในครั้งแรกเนี่ยก็ไปนั่งสมาธิหลวงปู่มั่นพาพาไปนั่งสมาธิพอไปนั่งสมาธินี่แพบเดียวเท่านั้นแหละลงไปนอนอยู่ในปลักายทาั้งทั้งจีวรเพื่อนหมดเลยแล้วหลวงปู่มั่นทั้งว่าเอเอพระสารนีมน่มันหนีไปไหน เดินไปส่ไหนได้ไปคลุกอยู่ในในปรับไฟแกมานี่ได้ยังไงผมไม่รู้เหมือนกันนะวนั้นนั่งเสร็จแล้วมันก็มีอะไรไม่รู้ดึงผมมามท่านก็รู้แล้วว่ากรรมที่ทำไว้นะี่มันหนักมากท่านก็เลยจับขึ้นมาแล้วก็เอามาซักผ้าซักผ่อนกันเรียบร้อยแล้วเท็ดเพราะเท็ดเซ็จ ท่านก็รับรองดีแล้วไปนั่งสมาธิกันใหม่พอนั่งสมาธิเสร็จแล้วถ้าสารหายไปไหนอีกแล้วเข้าไปอยู่กลางคอไผ่เข้าไปได้ยังไงเข้าไปอยู่กลางคอไผ่ออกก็ออกไม่ได้และทีนี้ท่านก็ต้องไปหาโยมมาถางคอไผ่เอาอาจารย์สารออกมาเนี่ยเสร็จแล้ววันหนึ่งไปนั่ง สมาธิไอ้พวกเชื่ยน อ, อนั่งสมาธิตอนนั้นเออพอเวลาที่ไปนั่งเนี่ยมันไปนั่งไอ้ตรงที่ข้างบ้านใครก็ไม่รู้ไ อ, อ้พวกมันไม่รู้่มันนึกว่าผู้ร้ายนึกว่าจันสารเป็นผู้ร้ายมันเอาเหลาเนี่ยตัดแหลมปากปลาฉลามเนี่ยพุ่งสิบอัน ไม่รู้ใครต่อใครพุ่งต่อไปถูกบ้างผิดบ้างพอลืมตาขึ้นมาโอ้ oh. oh. ไม่เข้าสักแห่งแล้วหลวงปู่มั่นก็ตามไปจับตัวใหม่อีกแล้วแล้วทีนี้ท่านก็มาถามว่าแกไปทำอะไรมาตั้งแต่เป็นคารวะแกไปทำอะไรมาก็เลยเล่าให้หลวงปู่ฟังหมด ลูกใครเมียใครฉันไม่รู้ไปเที่ยวหาทําผิดก็เมื่อมิธอาจารย์อะไรต่างๆเยอะแยะโอ uh, ้แกนีก่กำหนักจริงๆเสร็จแล้ว <c oughs> อวันที่จะหมดเคราะห์กรรมก็ไปนั่งกันอยู่ที่รลลิมฝั่งน้ําพอไปนั่งอยู่ริมฝั่งน้ําเวลาที่นั่งก็นั่งอยู่ดีๆไปเดียวๆกลิ้งตกน้ําไปได้ยังไงไม่รู้ แล้วท่านก็เอาขึ้นมานั่งใหม่แล้วท่านก็บอกวิธีทำจิตให้อันนี้ไม่รู้ท่านท่านก็เล่าอย่างเนี้ยเสร็จแล้วพระสานเขาก็ปรากฏว่าได้ทำจิตเนี่ยแพรส่วนกุศลไปให้แก่พวกที่ทาร้ายพวกที่ท่านไปทาความผิดต่างๆในวันนั้น ก็ปรากฏว่าดวงจิตของท่านเนี่ยเหมือนกันกันกบถูกน้ําได้ชําระล้างลงไปหมดแล้วก็ได้ธรรมะขึ้นในวันนั้นเสร็จแล้วท่านก็ตามหลวงปู่มั่นไปแล้วก็ท่านเนี่ยเอจากนั้นคือจากที่ออกจากที่ท่านสามารถที่ชําระล้างกรรมได้สําเร็จ แล้วก็เหตุการณ์ต่างๆก็ไม่มีจากนั้นไปเนี่ยท่านอาจารย์สารเนี่ยท่านจะไปเที่ยวทุดมทีนี้ท่านจะไม่เข้าไปหาบ้านคนเลยอนานๆพอไปฉันเส็จแ้วท่านก็รีบหนีถ้าใครมาหาท่านทา่านก็หนีไปเลยหมายความว่าเอาตัวรอดวันที่สุดท้ายที่หลวงพ่อได้เห็นนั่นก็คือวันที่หลวงปู่มั่นมรณะภาพ แล้วท่านก็มาอ้าววิทยังอยู่นี่เหรออย่างั้นครับแหมหลวงปู่ตายังเขียวอยู่นะ <c oughs> เห็นพอมัมันน่ากลัวแต่ว่าเมื่อไปถึงนั่นแล้วเราจะรู้เรื่องพระที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอีกเยอะออน่าอัศจรรย์ไปท่าวนั้นแต่ก็คงจะได้ค่อย เล่าไปทีระองค์ละองค์ไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังตลอดระยะเวลานี้ได้รับฟังมาจากท่านจากหลวงปู่มั่นเป็นผู้บอกว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้แต่ไม่เขียนเป็นตัวหนังสือเวลาเขียนประวัติของท่านแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่กล้าเขียน อ้าวนี่จะทำอะไรเนี่ยงดงดถามตอบเลขาวันนี้ทำแปล <c oughs> <c oughs> จะเลือกประทานรุ่นว่าเอาไปนี่เอาอนุ ญ, ญาตให้วันนี้ <c oughs>